สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิยพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิตพระเยซูตอนที่สามร้อยยี่สิบสามเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เก้าสิบแปดพี่น้องครับเราจะจบในตอนที่หนึ่งร้อยพอดีนะครับและคําถวายพระพรสุดท้ายก็คือเมื่อเราจบคําอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงสอนเราทั้งหลาย ว่าเหตุว่าราชสำนาจริษเดศและพระสิริเป็นของพระองค์พี่น้องครับราชสำนาจแปลว่าสิทธิที่อำนาจของพระเจ้าในการตอบคำอธิษฐานริษเดศหมายถึงศักยภาพและความสามารถของพระองค์ในการประทานสิ่งที่เราทั้งหลายทูลขอและพระสิรินั้นก็หมายถึงการถวายเกียรติและการรับเกียรติถวายเกียรติจากเราและการรับเกียรติของพระเจ้า สำหรับคําอธิษฐานของเราพี่น้องครับหลักการการตอบคาอธิษฐานนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับฤทธิเดชของพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้ฤทธิเดชเป็นของพรงเรายอมรับว่าพระเจ้านั้นอาจจะอาจจะประทานสิ่งตามสิ่งที่เราทูลขอถ้านั่นคือนวัตไทยของพระเจ้านะครับและประเด็นต่อไปก็คือ เมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรายอมรับว่าพระเจ้าจะไม่ตอบคําอธิษฐานเมื่อสิ่งนั้นข้านกับพระบัญญัติและพระประสงค์ของพระองค์เมื่อเราอธิษฐานว่าฤทธิเดชเป็นของพระองค์เรายอมรับว่าเราหลายในครั้งทีเดียวต้องคอยเพราะยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้ายังไม่ได้เป็น in his time และพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเรา เพราะพระองค์จะไม่ทําสิ่งที่เราขอเว้นแต่คุณขอให้พระองค์ทําสิ่งที่ผิดหรือค้านกับลรรักษณะของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อพูดถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมีคําถามครับหรือหลายคนอาจจะ ง, งงบอกว่าพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเราเลยถ้าสิ่งที่เราขอนั้นถูกต้องตามนํามธรรมของพระเจ้าถ้าสิ่งที่เราขอนั้น ไม่ได้ขอให้พงค์ทาผิดหรือค้านกับพระลักษณะของพระเจ้าพี่น้องครับนั่นคือคุณพ่อบนสวรรค์ที่ผมได้อธิบายไปตั้งตอนต้นแล้วนะครับพี่น้องครับเราไม่มีวันขอพระเจ้าให้ทาให้ความเท็จให้กลายเป็นความจริงนะครับหรือเราไม่มีทางที่จะขอให้พระเจ้าทาให้สองบวกสองไม่ใช่เป็นสี่สองบวกสองเป็นสามนะครับหรือ ไม่มีวันที่เราจะขอให้พระเจ้าทำก้อนหินให้ใหญ่กว่าที่พระองค์จะทรงยกได้เห็นไหมครับนี่เป็นคำพูดที่มันขัดแย้งกันในตัวน้องครับพระเจ้าจะไม่ทำสิ่งที่ขัดแย้งกันในตัวนี่คือหลักการการตอบําอธิษฐานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให์เตจเป็นของพระองค์เรายอมรับว่าเรากำลังบอกพระเจ้าให้ตอบตามความสามารถอันไม่จากัดของพระองค์ ตามศักยภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ตามพลักษณะของพระองค์พระเจ้าอาจจะทําการอัศจรรย์เพื่อตอบคําทูลขอของเราซึ่งอยู่เหนือหรือเป็นข้อยกเว้นของกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์แสดงว่าพระองค์ได้ทรงนําทั้งการตอบคำํำมิฐานในแบบที่อยู่ตามธรรมชาติ ก็ดีหรืออยู่เหนือธรรมชาติก็ดีพี่น้องครับหลายหลยคนได้หายจากมะเร็งในขณะที่หลายหลยคนไม่หายแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเจ้านั้นมีฤทธิเดชในการตอบคํำอธิษฐานทั้งให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดแต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นไปตามใจของเราพี่น้องครับ หลายหายครั้งทีเดียวพระเจ้าอาจจะตอบโดยการเปลี่ยนท่าทีภายในใจของเรายกตัวอย่างยาโคบนะครับยาโคบนั้นปั้มสู้กับพระเจ้าตลอดคืนในการอธิษฐานเพราะว่ายาโคบนั้นกลัวพี่ชายจะมาฆ่าเพราะว่าโกงพี่ชายหลอกพี่ชายไปเยอะพระเจ้าตอบคําอธิษฐานโดยการเปลี่ยนความโกรธที่สะสมมา20ปีของเอซาวพี่ชายของยาโคบพี่น้องครับ สิ่งที่สะสมมานั้นสามารถหลุดออกได้ถูกหยิบยกออกได้รักขมขืนที่ฝังลึกอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าเปลี่ยนได้พระเจ้าอาจจะตอบคำอธิษฐานของเราด้วยวิธีมากมายแต่ไม่ว่าพระองค์จะทรงตอบอย่างไรการตอบสนองของเราเป็นได้แต่เพียงฤทธิเดชเป็นของพระองค์นั่นหมายความว่าเราต้องยอมรับว่าพระองค์ทได้แต่พระองค์จะทาหรือไม่ทาเท่านั้น พี่น้องครับนี่คือนามาไทเลอประเสริฐของพระเจ้าหลายคนบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ทำตามใจของเราพระเจ้าจะดีได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่าใครรักเรามากที่สุดพระเจ้ารักเรามากที่สุดครับพระเจ้ารักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองพี่น้องครับพระเจ้ารู้จักเรามากกว่าที่เราจะรู้จักตัวเองและพระเจ้ากำหนดอนาคตของเราและพระองค์ทรงวางอนาคตของเรา อยู่ในความมั่นคงเมื่อเราเดินอยู่ในมันคาและน้ำมัทยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวเราจะมีความรู้สึกว่าพระเจ้านั้นไม่ตอบคำมดิษฐานนะครับตามใจของเรานั่นแสดงว่าพระเจ้าตอบคามดิษฐานตามน้ำมัทยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าให้เราท้อใจนะครับเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราไม่ได้อย่าให้เราตั้งคาถามเพื่อที่จะสงสัยพระเจ้าประมานซาตานั้นมันกาลังขุดบอ่อ วางกับดักนะครับทำหลุมพรางที่จะให้เราตกอยู่ในการล่อลวงของมันนครับในวันนี้จะเข้ามาถึงพระศิริครับพระสิรินั้นแปลว่าอะไรพระสิริก็คือการถวายเกียรติครับการถวายเกียรติของเราและการรับเกียรติของพระเจ้าการถวายเกียรติจากมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นวัตถุประสงค์ ที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราเพื่อเกียรติของพระองค์เองหมายความว่าเพื่อเราทั้งหลายจะชื่นชมพระเจ้าสัเนเสริญพระเจ้านมัส ก, การพระเจ้าถวายคําโมทนาสาธุ ก, การแด่พระเจ้านั่นรวมคือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์สูงสุดเบอร์หนึ่งเลยนะครับก็คือเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ เพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าพระสิริเป็นของพระองค์นะครับเรากําลังยอมรับว่าพระเจ้าจะต้องได้รับเกียรติจากคําอธิษฐานของเราสําหรับคําตอบของอธิษฐานคําอธิษฐานทั้งหมดทั้งที่เราพอใจและไม่พอใจก็ตามพี่น้องครับที่เราเป็นที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราทําทั้งหมดนะครับพระเจ้าจะได้รับเกียรติพี่น้องครับนี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าพระสิริของพระองค์ เรายอมรับว่าคําตอบใดๆก็ตามที่เราได้รับจากพระเจ้าจะไม่ใช่เพราะความสามารถในการอธิษฐานวิงวอนของเราหรือเพราะว่ามีอะไรดีในตัวของเราแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นพระคุณเท่านั้นนะครับ grace only grace only หมายความว่าโดยพระคุณเท่านั้นในการตอบกรรมดิษฐานตามน้ำมันไทยของพระเจ้าและเรายอมรับน้อมรับด้วยความถ่อมใจด้วยความขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระสิริเป็นของพระองค์ เรากําลังยอมรับว่าพระเจ้าได้รับเกียรติทั้งหมดสําหรับทุกทุกคําตอบที่จะมาถึงพี่น้องครับผมย้ําอีกครั้งนะครับเมื่อเราเ อ, าอธิษฐานว่าพระสิริเป็นของพระองค์เรากําลังยอมรับว่าพระเจ้าได้รับเกียรติทั้งหมดสําหรับทุกคําตอบที่มาถึงไม่ว่าจะเป็นคําตอบที่ดีหรือคําตอบที่เราชอบหรือคําตอบที่เราไม่ชอบหรือคําตอบที่เรารู้สึกไม่ดีเราอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีในในระยะแรกครับแต่ ในที่สุดสุดท้ายนะครับอย่าลืมครับพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งรวมทั้งการตอบคําอธิษฐานของพระองค์ด้วยพี่น้องครับเพราะเราอธิษฐานว่าพระสิริเป็นของพระองค์เราปฏิเสธที่จะรับเกียรตินะครับเราไม่อาจขโมยเกียรติของพระเจ้าได้เราปฏิเสธเกียรติใดๆที่มาถึงเราในการอธิษฐานพี่น้องครับหลายหลาคนนั้นพยายามอธิษฐานเพื่อให้ตัวเองรับเกียรติ เช่นพวกฟาริสีครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาทําเพื่อที่จะโชว์ออฟหรือสร้างภาพพี่น้อครับพวกฟาริสีนี้เป็นพวกที่พระเยซูบอกว่าน่าซื่อใจคดเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานของเขานั้นจึงเป็นคําอธิษฐานที่พระเจ้าจะไม่ฟังแม้ว่าเขาจะมีข้อพระกัมภีร์หลายสิ่งหลายอย่างแซ็กอัพก็ตามแต่ท่าทีในใจสําคัญที่สุดพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระสิริเป็นของปรงุงอย่าขโมยเกียรติ เรากาลังปฏิเสธเกียรติต่างๆนะครับเกียร์ทุกชนิดที่มาถึงเราสําหรับคําอธิษฐานบางคนต้องการมีชื่อเสียงว่าเป็นนักอธิษฐานนะครับบางคนต้องการที่เราจะเป็นที่รู้จักกับว่าว่ามีความเชื่อมากกว่าคนอื่นหรือเป็นซูปเปอร์เคลสเตียนหรือมีความคุณงามความดีมากกว่าคนอื่นทีนีครับจิตใจก็เป็นตัวล่อหลวงเยรมีพูดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอธิษฐานต่อแผ่นดินสวรรค์สำหรคําตอบ แต่เขาต้องการเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีเกียรติเขากำลังขโมยเกียรติจากพระเจ้าเขาต้องการให้พระเจ้าทำในสิ่งที่เขาขอเขาปฏิบัติกับพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าเป็นคนรับใช้นะครับและเขานั้นได้รับเกียรติเพราะว่าเจ้าเขาเป็นเจ้าของผู้รับใช้กับการับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราขโมยเกียรติจากพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่กาลังบอกว่าเรากาลัง ลบหลูพระเจ้าน้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พสัสดุเป็นของพระองค์เราต้องมอบคําทูลขอนี้ทั้งหมดไว้กับพระเจ้าและยอมให้พระเจ้าทําการด้วยวิธีของพระองค์เองไม่ว่าคําตอบจะเป็นไงเกียรติทั้งสิ้นต้องเป็นของพระองค์พี่น้องครับโปรดฟังกันครับว่าเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพสัสดุเป็นของพระองค์เรากําลังมอบคําอธิษฐานคําทูลขอทั้งหมดไว้กับพระองค์ และเราต้องยอมให้พระเจ้าทำการของพระองค์ด้วยวิธีของพระองค์ในเวลาของพระองค์เองไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรเราชอบหรือไม่ชอบก็ตามเกียรติทั้งสิ้นต้องเป็นของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับนี่คือท่าทีของการอธิษฐานที่แท้จริงพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะคุยกันเรื่องสามประการของความจริงสาคัญหลังการอธิษฐานนะครับสามประการ ของความจริงที่สำคัญมากในการอธิษฐานอเมน